ได้ก่อนใจต้องเย็นคือใจต้องเย็นก่อนอย่าร้องร่วงก็อย่าพูดพูดพูด พ, ดพดูมันก็ยิ่งแบบโวีทั้งนี้ท่าเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วเอาจากตัทวีตรงนี้ขึ้นมาตรงที่อาโปตรงนี้น้ำตรงนี้ท่า น, น้ํานะคะสมองแล้วก็ตั้งตรงนี้ค่ะทําไปบ่อยๆจะหลังเนี่ยเราสามารถที่จะแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะ หัวใจของการปฏิบัติของพระอาจารย์ที่การตั้งลงแล้วต้องทําเป็นลําดับถ้าเมื่อทําอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยไม่เหมือนนักกีฬาคุณจะไปเอาไทเกอร์วูดจะไปเอาเมอรหนึ่งของโลกในกีฬาได้า น, นต่างมาสอนคุณแต่ถ้าคุณทำโครงสร้างของคุณไม่พร้อมฐานรากของคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณเสร็จเลยค่ะมันได้แค่ขีดจํากัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะหายากเลย และจะบอกว่าฉันทําไม่ได้กีฬานี้ไม่เหมาะสํหาหรับฉันไม่ใช่หรอกทุกอย่างเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ที่เราเตรียมพร้อมชั้นใดชั้นนั้ น, น, นอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติของอาจารย์ผู้คุณทุกคนโชคดีมากๆได้รับการเรียนที่แบบอ า, าจารย์ขโมยจนมันเป็นหัวกะทิจนเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วอะ่ะแล้วมาถ่ายทอดให้ สมัยเพกพระอาจารย์จะสอนตั้งแต่พันมะพร้าวการผูกกันคือมันกว้างไปหมดถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงแล้วไม่ได้บอกชัดเจนอย่างนี้ว่าตั้งลมหรืออะไรพระอาจารย์สมัยก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วสี่ห้าปีที่สุดมาแล้วเนี่ยพระอาจารย์บอกสอนเรื่องการตั้งลมยากที่สุดไม่รู้จะบอกอยังไงว่าตั้งลมเป็นยังไงถึงบอกอยังไงถ้าคุณไม่เริ่มทาอ่ะคุณจะทํามไม่ได้แล้วคุณจะถามแต่คําถาม ตนที่ถามแต่คําถามคือยังไม่ได้เริ่มทําถ้าสมมติโกรธหรืออะไรที่เหพูดอะไรชัดแจ้งเกินไปเนี่ยขอให้มันจบในห้องนี้นะคะเพราะถ้าไม่พูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนที่พ่าอาจารย์เคยเบียดเปยว่าเหล็กถ้าไม่ตีให้ร้อนเนี่ยคุณขึ้นรูปไม่ได้ฉันใจว่าฉันนั้นถ้าโกรธกโกรธจะมาช็กปะอะไรเชิญได้แต่ให้คุณทําเพราะมาครั้งนี้ทั้งลูกศิษย์ท่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยหวังอย่างเดียวคือหวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังในการช่วยสามเสาหลัก เทชาศาสนาพระมหากษัตริย์พูดอย่างนี้จะบอกว่าเอ้ยช่วยยังไงนี่คือเขาคิดธรรมดาเหมือนกับที่เพชรเคยคิดว่าเราจะช่วยยังไงแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเราทำได้จริงแล้วเราทุกคนนี่แหละจะเป็นชนชาติไทยที่จะเป็นกลุ่มน้อยแต่เราจะขยายวงว่าที่จะรักษาอนณาเขตที่ปัจจุบันเนี่ยมันเล็กแค่นี้เมื่อก่อนอนาเขตเรากว้างใหญ่ไพศาลมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งลงสูหัวใจสําคัญของการปฏิบัติแล้วขอให้ทำตามขั้นตอนคนที่มาใหม่เนี่ย <c oughs> หัดพูดปากกับใจให้ตรงกัน <c oughs> นึกอย่างเดียวตอนนี้แล้วรู้อย่างเดียวทำได้ <c oughs> ก็คือเวลาเปิดเพลงชาติเราเคยมั้ที่เราไม่เ อ, อ่ยปากร้องแต่ใจเราร้องอยู่ข้างในอ่ะประเทศใช่ไหมหกโมงอ่ะใจเราจะร้องอยู่ข้างในแต่เราไม่รู้ตัวคร <c oughs> าวนี้หลอกออก อ้ปาปากให้เสียงน่ะให้มันคือคื อ, คอแมทกับในเนี้ยค่อยๆพอในนี้ประเทศไทยเราเป็ประเทศไทยรู้เนื้อชัดให้ความรู้สึกน่ะนี่คืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยปากกับเนี้ยให้มันไปพร้อมกันนี่คือขั้นที่หนึ่งปากกับใจตรงกันเข้าใจที่พระอาจารย์พูดแล้วใช่ไหมใจกับวาจาขั้นที่หนึ่งนี่พอแมทกันปุ๊บผลเกิดแล้วนะคะ แต่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับคนเดินในที่มืดอ่ะบ้าๆอย่างแต่พอมันแมทชิ่งปุ๊บเราจะมั่นใจแล้วเราทางนี้ใช่เราเคยเดินทุกวันมันอย่างนี้ก้าวอย่างนี้ถึงประตูตรงนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยตั้งลมให้เป็นการตั้งลมก็คือเข้าให้ดีที่สุดเลยคุณจะเข้าทางไหนก็ได้แต่ให้ทำเหมือนกับเด็กอนุบาลท้งแรกฝึกที่ดีที่สุดเ้าทางนี้ค่ะจุดนี้ที่แม่จะึเชนเชงอะไรนันะที่จุด พลังที่มันตุก ต, กตุกขึ้นทางหัวเลยนี่คือสูงสุดของเรานะคะทุกคนเนี้ยไม่อยากให้ใครหัวเนี้ยเอาเข้ามาสร้างอารมณ์เหมือนกับว่าเห็นแสงเคยเห็นแสงสระส่องไหมคะตอนช้าเหลือลําแสงนะคะที่เป็นแสงสีขาวแสงใสๆเอาอารมณ์ภาพอย่างนั้ น, นะคะ่ะแรกๆเนี้ยภาพมันอาจจะยังไม่ค่อยนั้นไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเราเอาภาพแบบ น, นี้ค่อยๆเข้ามาช้าๆหายใจก็คือ เอาลมเดินก็คือลงไปหาใจเรื่อยๆพอเข้ามาตรงนี้พายจําคํานี้ได้ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์บอกพายจำเอวนี้นะคะแล้วก็มาลงไปตปรงตับถวีค่ะทุกอย่างเนี่ยเวลาทําให้เริ่มต้นที่ตับถวีทุกครั้งว่านี่เป็นจุดบ่อกเกิดหมดรังไข่มดลูกอะไรอันทะอะไรมัอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นจุดบ่อกเกิดของชีวิตบ่อกเกิดของอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดขึ้นฝึกตรงนี้ก่อนเนี่ยตั้งลมข้าตั้งแล้วก็ค่อยออกเข้ายัางไงก็ออกอย่างงั้นหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจค่อยคอ ย, คยหายใจอย่าทำอะไรที่แบบอยากแค่นี้จะตายเร็วแต่การที่อ่อนน้อมถ่อมตนช้าช้าอ่อนโยนเราจะได้อะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ พูดอย่างนี้ยังไม่เห็นภาพต่อไปปฏิบัติก็จะรู้นี่การหายใจเข้าตั้งออกเนี่ยมีระยะของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนมีความสูงมีอะไรไม่เท่ากันไอ้อนาโตโมนีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันชิ้นส่วนชิ้นแขนชิ้นขาการดูระยะก็คืออันนี้บอกไปถ้าคนนี้คือจดไปก่อนแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ฝึกเสร็จเนี่ยมีคําถามอะไรก็มันมีลายนะคะลายเข้ามาถามที่เนี่หรือติดต่อได้หรือถ้าใครที่ทําได้แล้วพอเห็นลายปุ๊บเนี่ย ตอบเข้าไปคือช่วยเพื่อนแต่เอาที่ตัวเองทํามานะอย่าเอาไปที่จําแล้วไปต่อมันไม่มีประโยชน์ขนนกเล็กๆอ่ะคุณยังเดี๋ยวต่อไปคุณจะรู้สึกว่าประหลาดใจดฮ้ยทำไมฉันเจอขนนกดีจังเลยก็แต่เดิมเนี่ยคุณไม่เคยสนใจไงมันมีอยู่ตามบ้านนกที่ล่ามนกกระจิบนกกระจาะขนออกเล็กๆทตรงนี้มันต่อไปคุณเห็นนกมันติดแล้วก็จะเก็บขนนกใส่ถุงพลสติไว้ใส่ถุงพลาสติไว้ ในรถในกระเป๋าในอะไรอย่างเงี้ยยืนยืนให้สบายสบายการยินไม่ไประชิดน้ำหนัก ม, นนมันจะไม่โยนแท่ยืนเหมือนกับคนที่เล่นไ่เก๊กมันจะยืนอย่างงี้ยืนสบายแขนไปข้างลําตัวไม่มีแหละแล้วก็หายใจเข้าไปหายใจเข้าไปทําเหมือนนี่ตั้งลมน่ะพอถึงปัทโธบีแล้วเนี่ยพร้อมแล้ว แล้วก็ปล่อยจนนกพร้อมท่านหายไดออกแล้วก็พูดออกมาว่านะตอ้องพื้นหยุดทั้งที่ลมเราเนี่ยยังมีออกที่จะนะได้อีกแต่ให้หยุดตรงระยะของเราแสดงว่าลมเนี่ยยาวกว่าถูกไหมคะยาวกว่าถ้าที่วมันอยู่ตรงนี้ยก็ฝึกตรงเนี้ยไปถามว่าฝึกแค่ไหนอย่าถามถามตัวคุณเองว่าคุณจําระยะตรงนี้ได้ขึ้นใจไหมจะหลับตาจะทําอะไรเงี้ย คุณสามารถหายใจแล้วคุณเท่ากับระยะตรงาน น, นั่นแหละคือระยะที่คุณควรจะให้มันเข้าไปจนถึงแบบเข้าไปในใจอ่ะเหมือนกับบางคนที่เขาเขาเขาสังคัฟให้เราฟังเพลงของสถานีต่างๆม่นเปิดทุกวันแล้วเราก็เกลียดจำเพลงนี้แต่พอมันเปิดพวกเราร้องได้แล้วทาไมเราร้องได้อะเพราะคลื่นมันเข้าไปกัระทบใจแล้วมันมอมโมลี่ไว้เลย ม, มันจําโดยที่เราอ่ะไม่เคยตั้งใจ นี่คือความสามารถของมนุษย์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตั้งจิตอธิษฐานไปถึงพนิพพาน้ า, นาลงสู่นรกเอเวจีต่ำสุดคือนรกบอกบบัวชื่อว่าปถุมทำได้สนั้น ปัจจุบันเนี่ยหลายอย่างเราทำได้แต่เราไม่เคยสังเกตว่าเราทำได้จะเป็นการทำได้โดยที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ผอาจารสอนเนี่ยทำได้แล้วควบคุมได้ให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเมื่อทำแล้วมันลงใจแล้วเนี่ยอยู่ในภาะวะคับขันเนี่ยมันจะตั้งลงโดยอัตโนมัติไม่ว่าอุบัติเหตุเล็ก ๆ, กๆน้อยๆอย่างเช่นเนี่ยข้าต้นไม้ใช่เดินมีนนตัๆ วันหนึ่งเนี่ยความที่เราตัดไปไกลๆมันจะตายแล้วตัดพวกเนี่ยพลาดแค่ไตัดซึ่งกันเลอไหล่เลยค่ะเรารู้สึกแรกที่เราสืกกดแข่งแล้วก็มีคาถาขอาดนั้นนะนจตินะนัสังสลาธ์นัตนะใจเข้าไม่ก็ใสัปาห์สอนมาเที่วมันมีหลายคาถาไม่ต้องไปจังทาบ่อยๆเดี๋ยววันหลังมาชิมชื่นใจบางช่วงเราก็จะเติไปได้แต่แป๊บเดียวมันก็จะืนขึ้มา ต่ตงางแล้วก็ไปที่ปัสุาวีแห้เห็นแผลเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นแผตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นภาพเป็นไหเห็นภาพที่มันปิดเลือดไมีเลือดุดนัึงนัน่นต่างหันอีกทีเข่ า, านั่ึงนะตั้งนั่ตึนัแล้วก็ค่อยออกนั่ตนั่นั่ิดางหานนะ่ตั่งเฝ้าเวลาเห็นไมแต่มไม่เราไม่รู้ไงว่าทำแบบเป็นอะไรแม่ด นี่คือลมจากป่าลมจากใจเป่าแล้วกดนี่ถ้าคุณไม่เคยถาแล้วคุณทำได้คุณจะเห็่เลือดหยุดทั้ี่มันเลือดไหลไม่หยุดเลตอนนั้นเอาชิ้ชโค้งเนี่ย้เลือดหยุดเลือุดแต่ถ้าใครมาดูใกล้ๆเนี่ยนิ้วมันจะงอนนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปกระทบกระเพือนเอ็นหรือจุดไหนของเขาแต่ก็พยายามที่จะท้ คือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าโวยวายอย่าตกใจเพราะมันเกิดไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่ทํายังไงที่เราจะทําใจโบราณเห็นไม่มตั้งใจทำอย่างทำใจของเราว่าทําได้<อ>ทําได้แล้วเราก็ค่อยทําบางอย่างเนี่ยเราฟั้งไวย มันจะพุดที่ในใจเองที่เราเคยโดินด้วแม่บอกเห็นไหเวลาเราหัวตอนเล็กๆเนี่ยหัวไปหัวโนไปกระทบปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะไม่เอาผ้าเลยเห็นไหมเอาผ้าอ่างอยี่ยยัี้์ให้มันร้อนๆแล้วก็มันคืนๆคืนๆแล้วมันไม่พองนี่คือมันออกไปจากใจออกมาจากใจของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกหายมันคือการหาที่ฐานแต่เราไม่เคยรู้แต่ต่อไปเราจะทําโดยตั้งใจมันก็จะได้ผลเต็มร้อยเหมือนที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ สมัยก่อนเนี่ยเขาทำต่ออบกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทํานี่คืออะไรแต่คือมันเกิดผลเหมือนกันเพราะมันเป็นเส้นทางสายเนี่ยคุณจะเดินมาเส้นหายคุณจะปฏิเสธยังไงก็ตามผลมันจะต้องเกิดแต่อันนี้ต่อไปเนี่ยคุณรู้ตั้งแต่ต้นสายปลายเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำแล้วจะมันใช้ในชิปเพกผมบอกว่าพูดทุกครั้งเนี่ยจะน่าเบื่อแต่ทุกคนก็จะจําได้ทําในชีวิตประจําวัน เมื่อคุณทำในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณจะทำได้บอ่อยเพราะพุทเาองค์ถึงบอกมีคนคุณถามว่าจะปฏิบัติยังไงทุกลมหายใจเข้าออกนี่ไงรมหายใจที่มันเข้ามันตัง้งมันออกไม่ให้มันเสียฟรีก็คืออธิฐานเอาภาพใส่ให้ภาพนั้นเกิดดีบางคนบอกเล่ไ ม, ไม่ได้อะไรพ่อแม่ลูกคุณเลยเอาหน้าใส่เลยหน้าที่เขามีความสุขถึงท่านจะ เลาจากภพภูมินี้ไปแล้วก็เอาหน้าท่านจำหน้าได้หีิแม่หัวเลาะยังไงที่กอดเราเป็นยังไงพ่อยังไงที่เขามีความสุขลูกที่เขาเอายังนิสัยก็ไปก่อนอนี่คือเราให้เขาจาักใจโมเลกุลมันกระทกไปเรื่อยๆมันเดินทางตึ้งกระทบขาถึงเขาอยู่คนละภพภูมินี้เขาไม่มีกายเนือ้อแต่เขามีเขามีอยู่เขามีรูปอยู่เขามีนามอยู่คือใจมีนามอยู่คือใจ แ, แล้วมันการสังเก็ตไม่บางทีเราอยู่ๆปุ๊บเอ๊ะทําไมเราอยากกินอันนี้เราได้กินนี่คือบุญที่เราสร้างมาเราต ก, ออกไปแล้วมันจะทบใครไม่รู้ละ่ะที่เคยเกื่อนหนุนต่อเรามาแล้วก็ เ, เอามาให้เราเอ๊ะทำไมรู้ใจทำพูดอย่างนี้นี่แหละเราเคยชินกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าตรง น, นี้อ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงโบราณเขาทําไว้ยังไงเราก็มา ทำโดยไม่รู้เรื่องแล้วพอไม่รู้เรื่องก็ไม่ยอมรับแล้วบางทีก็คืออาจจัญอยูต่อบรรพบุรุษต่อผู้สืบทอดมาทั้งที่เป็นยากหรือไม่ยากต่างเนี่ยนั้น่อรื้ขอขาบอกเลยว่าขออนุมโมทนากับทุกท่านในบุญบุญสมที่ท่านได้มากัำดีแล้วก็ได้ทําแล้วก็ทําต่อไาเพียรต่ อ, อ, อไปกับเทวดาที่อยู่ณนะที่นี้ประจำตัวเราประจําทุกท่านเนี่ยก็ขอให้โมทนาบุญเอากับทุกคนนะคะ นี่คือสิ่งที่สิ่งที่เรามาเริ่มทาแล้วทำได้เมื่อกี้ก็ยังพูดกับปา ป, าปาของคุณเล็กคราวก่อนท่านมาสภาพท่านจะไม่เป็นอย่างนี้มากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าปาปาไม่ต้องคิดอะไรมากทำมาจนถึงขนาดนี้แล้วลูกจะยังไงจะมาหาหรือไม่มาหาเรื่องของเขาก็าเขามีภาระครอบครัวเขามียูญญาณ เขาที่จะต้องดูแลแต่ยังไงก็ตามเนี่ยป้าไปป้าไปคนเดียวซึ่งเอกาจะไปก่อนป้าได้พูดไม่ได้แต่ยังไงก็ตามลูกคนเืก็รับไอยหลังที่จะเคลื่อนจากครบคุัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าทําเองเลยไม่ต้องไปบ่นกับพยาบาลมากไม่ไหวเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคาพูดลบคําพูดที่เป็นอคุณโสดที่แง่ลบที่กระทบ ก, กับจิตใจไม่ต้องพูดฉันหาฉันทาได้ และทำเองในขณะลมหายใจมีอยู่ทำเองสิหลาจากครอบครัวนี้แล้วเนี่ยลูกจะทําให้หรือไม่ให้ตอนนั้นน่ะปีหกชั้นหัวก็เขาก็ไม่รับรู้แต่ตอนนี้ไม่ต้องถึงมันจะรับรู้ถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยความสุขใจมันก็จะแผ่ไปยังลูกหลานเองมันก็จะเป็นสุขทั้ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะที่เรารู้จักสมัยก่อนคือท่องแต่เราไม่เคยจะหลักรู้ว่ามันจะทาํางานยังไงแล้วเราจะปรับวงจรอย่างที่ทนอาจารย์ อธิบายเรื่อง RNA DNA จำง่ายๆ TRNA ก็คือสิ่งที่สร้างใหม่ที่เป็นบุญยสศนที่เป็นสิ่งที่บวกกับเรากับครอบครมนี้แล้วก็ที่จะเคลื่อนไปครอบครูอื่นที่มันจะสะสมเราเป็นเค่อทุกครมบคที่กระทบตาหูจมูกลิ้นลรดกายสัมผัสใจเอาแต่สิ่งดีๆนั่งคุยกันจะเปรียบเทียบเสมอเำไมต้องพูถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยนะ ที่มันนั่งสต้หัวกันมันจะไม่พูดถึงความเร็วของกุมนั้นรอกมันจะพูดของความเร็วของคนอื่นเราูสนุกกันมากเลยแต่ไปเราไม่เอาเรไม่ฟังเกิดประโยชน์อะไรจากเราทําให้เราเ่ํารว ย, ยไม่ใช่ถึงเลํารวยจากตร น, นั้นก็เป็นพื้นฐานจากปริศ น, นไม่เอาไม่ฟังอัาจจะเสด็จสู่ข้าววุ้ยขอโทษนะพอดีเดี๋ยวต้องไปโทรศัพท์บบหาพ่อแม่หรือใครก็ตามขอโทษนะไปห้องน้ําพราัดวงจรนั้นมันก็ลืมเพราะคนเราความจามันจะเป็นช่วๆอย่ี้ไ่อาจารย์บอก ภารกิจภารกิจไปทุกอย่างที่กระทบตรงนี้เก่งไม่ดีก็อย่าไปไปที่อื่นอย่าไปอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นอคุศลถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ตายหมู่เคยเห็นไหมคะทั้งที่ไม่ใช่ถือคาดของเราอะ่ะถึงก่อนอเพราะเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นไงแล้วเดี๋ยวสรรเนี่ยจะมาแนะนําว่าตรงไหนที่เป็นที่กุศลที่เราควรจะไปอยู่ตรงถ้าจะชี้ได้แม้กระทั่งจุดว่าตรงไหนจุดไหนจุดตัวจุดกุศลเราเอาจุด กุศลกุศลอย่างนี้พอเราทําเองด้วยมหากุศลถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาทําไมเราไม่อีกมาหาันเปรยทุกครั้งที่เรานั่งนวดอะโอเคเช้าเย็นเนี่ยจะทําให้เป็นเขาเรียกเป็นนิสัยต่อไปจะเป็นอุ ป, ปะะนิสัยอุปยานิสยาจำคาอันนี้ได้ไหมคะที่อาจารย์พูด อ, อุปนิสยะาที่ทำบ่อยเหมือนกับกรณีเรา จรงค่ะเอาขึ้นออนถูกไหมคะแต่คั้เอาที่มันพิเศษตรงที่ว่ามันจะไม่อ่อนแล้วอ้อต้องตั้งมันไม่ตลอดเวลาเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันเด้งอ้อทันทีอันนี้ก็เหมือนกันการตั้งลมก็เหมือนกับเราอ่อนแล้วเราทํำบ่อยๆทําบ่อยๆจนใจข้างในเนี่ยกายในกายเรามันทําของมันเองนะคะแม้ตอนหลักที่เราไม่ตั้งใจทํามันก็ทำเพราะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแม้นเราไม่ตั้งใจอย่างกรณีจอดรถเนี่ย เมื่อก่อนฝึกใหม่ๆเนี่ยเราตั้งภาพเลยนะคะเป็นฟอร์แมตนั้นสําคัญเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเราต้องทําให้เป็นให้มันเข้าไปลงใจอ่ะเข้าไปทุกครัร้งทาทาเป็นที่จับตุกเพราะตอนเด็กฝึกแรกๆนี่ยท่านอาจารย์ให้ทําเทกท้าทายกันที่เยาวราชถ้าใครเคยไปซอยแปลงนามมันจะมีมูลนิธิเป็นวัดเวียดนามอยู่วัดหนึ่งข้าไปแปงนามกู่ะซ้ายเห็กถ้าไป ม, มันจะมีที่เป็นหลังคาเห็นไหมคะเข้าไปแต่ว่าเป็นที่ว่า เลือกช่องเลยค่ะความที่คือเมื่อทําจนเรารู้สึกว่ามีอารมณ์ที่แบบมั่นใจนี่คือศรัทธาที่ประกันในะคะิรรมมันมั่นมันตั้งมันม่ น, น, นปุ๊บประกาศเลยค่ะประกาศกับตัวเราเองนี่แหละไปไหนถึงชอบไปคนเดียวทำอะไรคนเดียวเพราะว่าสึกมันสะดวกไม่ต้องมาปิฆาอะไรอยากต้องจอดรถในช่องนี้ ใจมากกับผู้รายงานกับพระอาจารย์เหมือนเด็กที่ตอนเล็กไปปลูกดอกไม้ไปให้ครูแล้วเราจะดีใจกับพระอาจารย์หนึ่งได้มันจะเป็นขั้นๆค่ะพอจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเวลาเด็กไปที่ไหนเนี่ยเด็ยังไม่ได้ดื้อๆแต่เรามีจุดมุ่งหมายแล้วว่าที่เราจะไปตลาดราชวัตรเคยไ ป, ไปเคยไปตลาดราชวัตรไหมตลาดราชวัตรที่จอดรถลำบากมันจะมีที่จอดรถใต้ดินใช่ไหมคะถ้าเด็กนักหนานะก็เป็นลงที่จอดรถใต้ดินแต่ตอนนั้นเนี่ย ปันจะคเป็นหกล้มแล้วข่าเนี่ยมันเป็นแผลสองครั้ถ้าเคยใครเคยเป็นแผลที่เขาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันทรมานะ่ะเพรากยับก็เจ็บเพราะเป็นตัวที่แบบยืดหยุ่นแล้วมันจะเจ็บแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับบวมมาค่ะเป็นหนักเตนะแบบแล้วขับรถเนี่ยเราจะเดินหรือเปล่าเชื่อไหมว่าเพ็กไปที่จอดรถเรียงล่างให้พระอาจารฝึกสามครั้งนะคะเพ็กได้จอด ถ, ถ้าเคยเห็นมันจะมีตรงไอ้กล้วยปิ้งอยู่ที่เิดถนนทางเข้าตรงนั้นอนะเพ็กได้จอดตรงนั้นนะคะ เด็กก็เดินไปที่เวลาเอาของมาก็ขึ้นร้อไฟเลยไม่ต้องลงไปใต้ดินแล้วก็ต้องขึ้นบันไดเพรใต้ดินต้องขึ้นบันไดนี่คือใจข้างในมันจะทํางานของมันเองครับเหมือนกับเราสวดมนต์นะถ้ามีเวลาเพาตอนแรกๆเนี่ยถิ่นสวดมนต์กำหนดหรือว่าจารันคารพูดอะไรนี่สวดอภิสัยสูตรอะไรอย่างเงี้ยสวดบทที่พระสวดบทยาวๆด้วยนะห้าหงหน้า สรวจคือมองมองมอ ง, มองสรวจแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กผูงใ ต, ใต้นะคะคล้เหมือนทํงางานจะเป็จวันหนึ่งเนี่ยเราไปที่ใต้เนี่ยเขาจะคนะที่ไปคือไปสรวจสรวจมนต์เราก็ไม่เคยชินกับหนังสือสรวจมนต์เขาก็าสตรวนผลิตไปอันเน้นข้าว อ, อันนั้นใช่ไหมเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนวัฒนธรรมของแต่ละวัดไม่เหมือนกันเขาสรวจ น, นะคะเราไม่ต้องดูแต่เราตามเขาได้ เราตามได้คนเราทั้งตั้งลมลงกุกข้อตัวแล่วก็ตามตลอดได้แม้จะทั้งออกเสียงดังได้จังแต่ถ้าเราไม่มัน่นใจเราจะออกเสียงเบาๆถูกไหมคะเวลาเราทําอะไรเลยก็งงไปก่อนนี่ออกเสียงดังชัดแจ้ตั้งลงฝึกค่ะไม่ว่าหมาว่าคนสัพท์ในคบภูมินี้ฝึกค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเด็กโสดมนตลอดเลยนะถามจริงอะไรที่มาพูดเนี่ยเขาก็สวดมุม จริงเนี่ยต่อไปเป็นดาวนาเพราะว่าเขาอที่ฐานกับเขาเขาจะสวดมนต์ไปเองสามเดือนแล้วฝึกัญญาแล้ั้งหนุ่มมันจะกระโดดเลยค่ะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเช้าขึ้นมาเนี่ยสวยดมนต์ลหลังสัมมาอินมาหังพัเตปัชกวาหรือเอาบทไหนก็ได้ฝึกเดีย๋ยนี้ฝึกหน้าจต่ายมีในยูนทูปเสียงเปิดอ่อใส่สมัแล้วเราก็ดู เราจะรู้ว่าจังหวะเป็นยังไงการออกอัคราเป็นยังไงแม้แต่มีรอเรือก็ต้องรอเรือถ้าไม่รอเรืออักขราผิดคลื่นผิ ด, ผดมันละเอียดขนาดนี้เมื่อเช้าที่อาจารย์พูดนีไยค่ะที่พระสมเด็จเทวสูรหรือพระที่สคศุที่ท่านสวดอัคราถูกต้องแล้วกฐานกรอะไรถูกต้องเมื่อคุณตั้งลมถูกต้องทําอะไรถูกต้องเนี่ยต่อไปอ่ะ ธาตุในร่างกายโดยเฉพาะมหาภูตรูปสี่มหาแปลว่าใหญ่ธาตุใหญ่ของที่มันประกอบมาจนเป็นตัวคนก็คือดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมเราจะไม่พูดเกีวกัไอ้ดินน้ําลมไฟทุกป่ะแต่เราจะพูดให้ถูกตามฐานแล้วเราจะเข้าใจดินน้ําไฟลมตัวนี้อากาศธาตุเมื่อทํามหาภูตรูปสี่อันนี้เนี่ยตั้งลมเนี่ยคือการทําให้มหาภูตรูปในร่างกายสมดุล ฟังอย่าหลับตานะคะลืมตาแล้วมองแล้วมันจะจำภาพนี้ได้เดี๋ยวพอกลับไปลืมตรงไหนนี่จะจำภาพว่าแม้แต่เหตุการท่ามีอยู่อีกอะไรก็จะจำได้นี่คือใจมันเข้าไปในใจเมื่อตั้งลงเป็นปกติมหาพุตรูปในร่างกายนี้ มันจะสมดุลมันจะปรับสัมผัสของมันเองไม่ต้องไปรู้ว่ามันทํำยังไงมันเป็ น, นกลไกที่บอกคุณแต่ถ้าอาจารย์หรือพระที่นั่นปฏิบัติเจะรู้เมืนกับคอมพิเวเตอร์คุณจะใช้แต่แ บ, บ็กออฟฟิตคุณไม่รู้ก็ลงไปถามเขียนๆรูปเจ็บแป๊บเดียวสองนาทีบอกไม่เราไม่ต้องรับรู้จะทําอย่างนี้ดีกว่าหน้ากว่าแต่ให้เกิดผลนะ่เะเมื่อมหาปุิญตร์ูปสมดุลโรคภัยก็ไม่เกิดเมื่อวานเนี่ยที่มีน้องคนหนึงมาถามว่าจะทํางงนี้ทํายังไงเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วโฟกัสแต่ละเะ แต่อันนี้คือโดยรวมถ้าคุณตั้งลมแล้วก็มหากรุณาลูกคุณสมดุลแล้วเนี่ยโรคไัยมันจะไม่เกิดเพราะโรคภัยมันเกิดมาจากแต่ละจุดโรคหัวใจก็คือลมละเอียดถ้าโบราณจะเห็นว่าเขานวดเสมอถูกไหมคะให้เอ็นเอ็นเนี่ยมันผ่อนภายนโลมโลมละเอียดในหัวใจแล้วมันก็เกิดโรคหัวใจแต่สมัยใหม่ต้องไปนั่งทางผ่าตาัดแต่ถ้นทําแบบผ่าจารย์เนี่ยมันจะไปขยายปั๊ม ไอต้ตะ ก, กันรหรืออะไรเนี่ยมันจะดังของมันเองแล้วเราทำบ่อยๆดูสิคะเวลาสายอะไรที่มันดันเนี่ยครั้งแรกมันจะไม่ไปถูกไหมคะพอดังไปนานๆตึ๊ดัใจชั้นนั้นทําให้เป็นปกติจําคํานี้ไว้นะคําว่าเพียรไม่หยุดขี้เกียจมากไม่หยุดขี้เกียจมากไม่หยุดแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นผลเนี่ยโอหไปเร็วเลยเพราะว่ามันได้ผลนนะ่ะ เราคือผู้ิเศษของเราเราคือผู้กําหนดชะตาชีวิตเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นที่เขาไม่ได้โชคดีมาเจออย่างเราเมื่อมาเจอแล้วเนี่ยทําตรงนี้อ่ให้บังเกิดขึ้นให้เป็นผลให้มันติดตามเพราะกูุ่มนี้เรายังไม่รู้ว่าทวกกลุ่มน่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ไม่มีใครบอกได้ตางกรรมของธรรมแต่มันจะติดอยู่ไปในใจนี้คนที่มาเนี่ยต้องมีของเดิมมาก่อนเราถึงได้มาพบกัน เราไม่ต้องการจะมานั่งร้วนลูกไครล้านไครทำดีแค่ไหนทำเร็วแค่ไหนทำอะไรไม่สนใจสนใจแต่ตรงนี้ว่าเรามาร่วมกันทำมากเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ทำมาแล้วไหมแม้แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นอดีตที่ยซ้ำไม่มีใครตามปัจจุบันนะ่าแต่เราเริ่มทำไปด้วยกันสร้างมาหาคุณสมัตไปด้วยกันทดแผนคุณแผ่นดินนี้เจก็มาจากเชื้อสายคนที่อบายกมา ปม ก, ก็มาจากมุกจีต้นตระกูลทางพ่อก็มาจากมุกีกับเผด็แล้ะนอนทงทำคุณแผ่นดินให้ตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบันเราอยากคิดว่าเราไม่รวยพอเราไม่อะไรไม่มีตังตัวเปล่าที่เป็นนะั้นแต่นู้นเราก็ทำได้เพราะเราใช้ลมหายใจลมหายใจแล้วก็อธิษฐานให้มันบังเกิดง่ายนะแต่คุณต้องทำตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นถ้าคนปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่มีคําถามใดๆหรือถ้ามีคําถามเนี่ยเราฟังเรารู้เลยว่านี่จํามาถามหรือปฏิบัติแล้วมาถามแม้แต่เรื่องง่ายๆว่าหนึ่งหายใจเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันสุดระยะไม่เป็นไรไงแรกๆเนี่ยมันอาจจะตรงที้เพรเราไม่เคยมาก่อนไม่เคยทะลุทะลวงไอ้ไอ้ท่อท่ออันนี้ที่เราเคยใช้มาตลอดชีวิตแต่ยังโชคดีก่อนตายเรายัางรู้จักว่าสุดมันอยู่ตรงไหนสุดมันอยู่ที่สุด จุดทางเช่าตรงนี้ที่ผ่านอาจารย์บอกที่มันเป็นแค่หัเวเทียนเป็นตัวส ป, ปาตรงเนี้ที่มันเป็นตัวส ป, ปาร์กไฟแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเราโล้มตรงเนี้มันเกิดอัมาพาตเพราะาไฟมันเสียไงเมื่อไฟเสียทุกอย่างมันก็ทํางานไม่ได้แต่อันนี้เป็นไฟฟ้าชีวภาพที่ร่างกายนั่นแต่บางทีเราเป็นจับบันไดอุ้ยช็อ น, นี่คือไฟฟ้าประจิตในร่างชายลรไงที่มันทํางานตอนไฟเวลา เกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องมากรกทบตัวเราเองหรือเรื่องถึงคนรอบข้าลูกหลานพ่อแม่เนี่ยอย่าตกอใจฟังพุกตั้งลงเลยค่ะมาท้อตั้งลมถ้าเขาไม่สบายก็เห็นหน้าเขาแล้วกใ็ให้เห็นหน้าที่ยิ้มแย้มอย่งใส เราส่งขึ้นคืนะคที่เป็นบวกให้เขารับได้หรือไม่ได้ไม่รู้อะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทเทวดาเรากับทเทวดาเขาต้องคุยกันแล้วเพราะเดสติเนชันเรากําหนดละเหมือนจุดมาร์กที่ Google แบบมันกาหนดจุดมาร์กปุ๊บมันจะมันจะมีของมันเองเนี่ยที่เราไม่จําเป็นจะต้องรู้แต่ถ้าต่อไปเราเรียนรู้ได้เนี่ยเราจะเข้าใจลึกซึ้งที่มาที่ไปแล้วเราจะรู้กันเยอะเมื่อ ก, ก่อนเพลงเป็นยิ่งกวบทุกทา่านจริง เดินทางทั่วโดยที่เหมือนกับไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ในใจก็คือท่านปฏิบัติยังไงเวลาไปวัดจะไม่ไปเหมือนคนอื่นนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยก็จะซื้อสัมภารแต่ว่าเรก็ให้ได้จำนวนที่สุดจำนวนเท่าที่ว่านั่นบุญแต่ถ้าแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ใช่เราไปเราต้องการขบรอควรหนึ่งของวัดหรือข้อผู้ปฏิบัติของวัดแล้วถามว่าคำถามเล็กๆทำไมถึงท่านมามาบวชคะท่านปฏิบัติยังไงคะแล้วเราก็จะได้คือพระอาจจะแบบ ให้โดนใจอะถึงใจครับท่านจะให้สิ่งอะไรที่แบบที่คนต้องการอ่ะคิดดูสิตั้งยี่สิบามสิบปีมาแล้วพระท่านเหมือนโดยชฉพาอีสานเนี่ยได้อะไรมาเยอะกเ็จะเก็บไว้พระองค์นี้ก็คือกล่องหนก่กกรอันนี้ถือกล่องเนี่ยเด็กขาเรียกรเราว่าหมอทีคือต้องมีดทั้งตะกุดทางอะไรแม้แต่ขุดของหลวงพ่อรยังีง่ก็ไปฝึกเคยไปเดอนทุงดงลูกเด็กหงพ่อวิริยังมีไม่กี่คนที่ได้เพราท่านทำนอันนี้ค่ะ จะบอกว่าไปมาทุกแห่งที่เขาเรียกว่าวิเศษทางโลกเนี่ยเราก็ได้มาแต่มันเป็นเรื่องปกติแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นรูปพระธรรมบาลนโบาลูในรูปด้วยที่กระแสที่เราส่งไปอยู่แล้วแหละจะต้องซิงสัญญากเจอมหาฉันบอกหลายปีอยู่นะไม่มีใครรู้จักบางคนรู้จักก็บอกหาไม่เจอหลอกท่านไม่รู้อยู่ไหนจนวันหนึ่งพระที่เด็เคยไปปฏิบัติในชีที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะท่นบอกว่า มั่งที่ดอยเบียงไปฝับงที่หลังภูน้ำดอเบียงนะขึ้นทันทีเลยค่ะขึ้นไปไดอยเบียงยังไม่รู้เลยดอยเบียงอยู่ไหนคือรู้ว่าขับรถหลัลงภูนไปลองไปดูสีดอยเบียงมันลึกมากมีสวนรลำยายนุ่งรู้ว่าทําไมหลัลงภูนลำใหญ่เอะล็กเข้าไปในวัดคือมันซับซ้อนเนะี่ยเรีวามันเป็นทางทางชาวบ้านนะค่ะทั้งแรกไม่เจอแล้วก็ผู่มมตรกับคึงปูที่เขาออกมา